มันมาจากป่าช้าสัมผัสสยองไอดวงเป็นคำเรียกขานของเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ค่อนข้างซุกซนตามประสาเด็กเขามีพื้นเพเป็นคนภาคเหนือ อยู่จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยหมู่บ้านที่ไอดวงอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญอาชีพของชุมชนส่วนใหญ่ก็ทำไร่ทำนาและหาของป่าอย่างเช่นเก็บเห็ดเก็บผักหวานหาไข่มดแดงเป็นต้นเพราะถึงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์<ๆ>เขามักจะชวนเพื่อนๆไปยิงนกตกปลากันเป็นประจำ ไอดวงเรียนที่โรงเรียนไกลบ้านซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเขาเป็นเด็กแก่นแก้วฉเฉลียวฉลาดทันคนความจำค่อนข้างดีจึงมีผลการเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งของห้องอยู่เสมอจนได้คัดเลือกไปเรียนที่โรงเรียนประจําตำบลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ที่จริงแล้ว ทางบ้านพ่อและแม่ของเขาอยากให้เรียนตำรวจมากกว่าเขาเป็นเด็กเรียนดีเพราะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อนๆก็ชวนไปสอบที่วิทยาลัยครูในจังหวัดใกล้เคียงโชคดีที่เขาสอบติดจึงตัดสินใจเรียนที่วิทยาลัยครูตามมูดมคติที่ต้องการพัฒนาบู่บ้านให้เจริญจริงๆแล้วไห้ดวงมีชื่อจริงว่าดวงแก้ว เมื่อ30สปีก่อนนั้นชื่อนี้ถือว่าไยเราะมากและเป็นที่นิยมกันในหมู่บ้านเมื่อดวงแก้วเรียนจบจากวิทยาลัยครูในระดับประกาศนียบัตรชั้นตน้นก็ได้ยินเพื่อนๆคุยกันว่าจะลองไปสอบเป็นครูต่างจังหวัดก่อนเพื่อหาประสบการณ์แล้วค่อยย้ายกลับมาสอนที่หมู่บ้านของตนเองดวงแก้วก็เห็นดีเห็นงามด้วย จงมาสอบบรจุ ข, ข้าราชการที่ส่วนกลางแล้วก็เป็นไปตามคาดดวงแก้วสอบติดเป็นครูหนึ่งใน10อันดับต้นๆของประเทศถูกเรียกบรรจุให้สอนในโรงเรียนประถมที่จังหวัดพระนครสิ ย, ยุทธยาครูดวงแก้วได้สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่สองสอนทุกวิชาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นวิชาเลขคัดไทย แล้วก็เลิกเรียนจะเอาอะไรกันนักหนาแค่อ่านออกเขียนได้ก็ดีถมไปแล้วเพราะสมัยนั้นไม่ได้นิยมการเรียนสักเท่าไหร่โตมาทํางานตามอาชีพที่พ่อแม่เคยทําก็เลี้ยงตนเองได้แล้วโรงเรียนที่ครูดวงแก้วสอนอยู่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในวัดของหมู่บ้านอําเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยา ถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพซึ่งน่าจะเจริญก็จริงแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นอำเภอที่ตกสำรวจลักษณะของหมู่บ้านนั้นมีความเป็นชนบทมากชาวบ้านประกอบอาชีพทานาเป็นส่วนใหญ่จึงตั้งบ้านเรือนสองฟากฝั่งตามลำน้ำถนนเข้าและออกของหมู่บ้านก็แสนลำบากจะมีรถโดยสาร หาคนในหมู่บ้านเพื่อออกไปซื้อของในเมืองเช้าออกหนึ่งเที่ยวเย็นกลับอีกหนึ่งเที่ยวเพียงเท่านั้นแต่ถ้าใครไปไม่ทันรถก็ใช้เรือหางยาวโดยสารมาตามลำคลองดวงแก้วชอบการโดยสารเรือหางยาวมากกว่าเพราะสะเทือนน้ำสนุกดีชาวบ้านที่นี่มีน้าใจมีอะไรก็จะมาแบ่งปันครู วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมก็ยังรักษาไว้เป็นอย่างดีดวงแก้วเป็นครูที่นี่ก็มีความสุขดีได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอตอนอยู่ที่ภาคเหนือปลาตามลำคลองก็มีมากมายชาวบ้านที่นี่จะทำปลารา้ากะปิและน้ำปลากินเองเก็บสายบัวกินกับน้ำปลาร้าเกือบทุกวัน ตื่นเช้ามาก็จะได้ยินเสียงขูดมะพร้าวทำน้ำปลาราเป็นมื้อเช้าเกือบทุกวันซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ครูดวงแก้วชอบมากๆแต่ที่ไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งคือโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนวัดบ้านพักครูก็อยู่ติดกับวัดและที่ภาคกลางนั้นชาวบ้านนิยมเก็บศพไว้เป็นปีๆแล้วจึงจัดพิธีเผาศพซึ่งไม่เหมือนกับภาคเหนือ ที่นิยมทำพิธีเผาศพสมวันหรือเจวันหลังจากที่ตายแล้วถ้าศพกำลังขึ้นอืดคงต้องใช้ฟืนในการเผามากหน้าดูห้องเรียนที่ครูดวงแก้วสอนอยู่ติดกับห้องเก็บศพจะว่าเป็นห้องก็ไม่เชิงเพราะมีเพียงหลังคาและก่อปูนเป็นช่องๆสำหรับเก็บศพไว้เท่านั้นบางวันก็จะเอาศพออกมา โดยดึงโลงออกมาวางไว้ครูดวงแก้วและเด็กนักเรียนก็เห็นกันจนชินตาเมื่อชาวบ้านดึงโลงออกมาแล้วเปิดดูศบภายในโลงนั้นก็เห็นศพแห้งหนังติดกระดูเสื้อผ้าเก่าจนเป็นสีน้ำตาลและสีดำครูดวงแก้วคิดว่าคงเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่เก็บศพไว้ ให้น้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาจนแหง้งแล้วค่อยนำศพมาเผาทำให้ประหยัดฟืนไปได้มากโข อ, อยู่บ้านพักของครูดวงแก้วอยู่ใกล้กับเมนเผาศพมีเพียงแค่รั้วลวดหนามกั้นเอาไว้เวลาเผาศพก็จะเห็นไฟแดงลุกโชนได้อย่างชัดเจนบางวันก็มีกลิ่นคล้ายเนื้อย่างโชยมาแตะจมูก ทำให้ไม่อยากกินหมูปิ้งไปหลายวันแรกๆครูดวงแก้วก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันแต่อยู่ไปนานๆเขาก็เริ่มชินแล้วก็หายกลัวไปได้เรื่องความเฮี้ยนของป่าชานี้ครูดวงแก้วก็เคยได้ยินผู้ปกครองของนักเรียนเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนโดนผีหลอกจนจับไข้หัวโกรนไปหลายวันเขาเล่าว่า คนในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อว่าลุงตาแกเป็นช่างซ่อมจักรยานในหมู่บ้านแกมักจะขี่จักรยานยนต์ไปซื้ออะไรที่ตัวเมืองเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักลุงตาติดฝนอยู่ในเมืองเพราะใกล้จะมืดแกกลัวว่าจะมองไม่เห็นทางจึงขับรถฝ่าฝนกลับบ้านเพราะตอนนั้นในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ผู้คนยังคงใช้ตะเกียงน้ำมันกาดให้แสงสว่างกันอยู่เพราะขับมาได้ระยะหนึ่งฝนก็เริ่มซาแต่ถนนหนทางค่อนข้างมืดขณะที่แกขับรถมาถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านลุงตาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนกวากมือเรียกอยู่แกจึงชะลอรถเข้าไปถามเมื่อหญิงสาวบอกว่าจะไปหมู่บ้านข้างหน้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับลุงตาแกก็เลยให้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์กลับบ้านด้วยเพราะเห็นว่ามืดค่ำแล้วในใจลุงตาตอนนั้นคิดว่าหญิงสาวคนนี้หน้าตาสะสวยแต่งตัวก็ดูดีไม่รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครในหมู่บ้านซึ่งจริงๆแล้วคนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่แกจะรู้จักเกือบทุกคน แต่แกก็เก็บความคิดไว้ในใจไม่กล้าที่จะถามเพียงแต่ให้หญิงสาวบอกทางกลับบ้านให้กับแกเท่านั้นลุงตาขี่รถผ่านทุ่งนาผ่านบ้านคนที่รู้จักไปตามถนนในหมู่บ้านนึกแปลกใจว่าวันนี้ม้าในหมู่บ้านทำไมจึงหอนรับกันเป็นทอดทอดพอผ่านวัดในหมู่บ้านไปก็มีทางแยกเลียบข้างวัด ลุงตาก็งงว่าที่นี่มันคือที่ไหนทั้งทั้งที่แกก็เป็นคนในพื้นที่รู้จักทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านแต่ทําไมวันนี้แกสับสนเส้นทางหรืออาจเป็นเพราะแสงไฟไม่เพียงพอก็เป็นได้สักครู่หญิงสาวคนนั้นก็ชี้บอกทางว่าจอดที่ประตูหน้าบ้านนี่แหละนี่คือบ้านของฉันหญิงสาวกล่าว ลุงตาแกมองเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ที่เป็นเงาตะคุมตะคุมแล้วก็ดีใจคิดว่าได้ส่งหญิงสาวให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเพราะแกจะกลับลุงตาก็พยายามหาทางออกแต่หาไม่เจอพอรู้สึกตวัวอีกทีกลับพบว่าแกอยู่ในป่าช้าและขับวนรอบเมนเผาศพแกสะดุ้งตกใจพร้อมทั้งตะโกนฮีร ลดังลัน่นจนพระในวัดนั้นออกมาดูก็พบลุงตาตกรถนอนตาค้างไม่ได้สติหลังจากนั้นก็มีคนบอกว่าแคจับไข้หัวโ้นไปหลายวันเรื่องนี้มันอาจจะเป็นแค่เพียงเรื่องเล่าเพราะครูดวงแก้วอยู่ริมป่าช้าเหมือนกันก็ไม่เห็นมีอะไร บ้านพักที่ครูดวงแก้วอาศัยอยู่ยังมีบ้านพักครูอีกหลังซึ่งมีเพื่อนครูอีกสองคนพักอยู่ด้วยกันบางวันนึกคลืมอกคลืมใจก็ชวนกันมากงเล่าดื่มกินกันตามประษาครูบ้านนอกเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์จริงมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนครูสองคนนั้นคลืมอกคลืมใจอะไรไม่ทราบ อยากจะตั้งวงดื่มกันครูดวงแก้วก็ไปร่วมสมทบด้วยพอดีว่าวันนั้นครูดวงแก้วซื้อหมูหมักมาหนึ่งกิโลกรัมกบว่าจะทำหมูแดดเดียวเอาไว้กินหลายๆวันเพราะทีน่นี่การเดินทางไม่ค่อยสะดวกมากนักแต่พอเพื่อนๆครูชวนก็เลยนาหมูหมักมาย่างด้วยกินไปคุยกันไปยิ่งดึกยิ่ง อ, อกรสชาต พอเหล้าขวดแรกหมดไปเพื่อนครูที่ชื่อมานพก็เดินไปหยิบขวดใหม่มาเปิดตอนนั้นหมูมักก็ยังเหลือเกือบครึ่งกิโลแต่ว่ า, านิ่ในเตากำลังจะมอดดับแล้วเพื่อนอีกคนชื่อนิดก็บอกว่ารอเดี๋ยวนะจะไปหาถ่านมาให้ครูนิดหายไปสักครู่หนึ่งก็หิ้วถังมาในนั้นมีถ่านสีแดงซึ่งร้อนระอุอยู่ ครูดวงแก้วจึงถามว่าไปเอามาจากไหนครูนิดตอบออแอดด้วยความเมาว่ า, าทานมาจากเมนเผาศพพอได้ยินดังนั้นครูดวงแก้วก็ร้องด้วยความตกใจเฮ้ย hey, อย่าเล่นพิเรนอย่างนี้สิผมไม่เอาด้วยหรอกแล้วทั้งครูมานบและครูนิดก็หัวเราะในความปลอดแหกของครูดวงแก้วครูนิดบอกว่าไม่เป็นไรหรอก ศพเขาเผาวาอดไปแล้วไม่เห็นมีกระดูกหรือเท่าเลยมีแต่ทานไฟแดงๆนี่แหละผีเผอมีที่ไหนกันแต่ครูดวงแก้วไม่ฟังเสียงลุกขึ้นและบอกว่าพอๆจะไปอาบน้ําเข้านอนแล้วแล้วครูดวงแก้วก็กลับไปบ้านพักของตนปล่อยให้ครูทั้งสองดื่มกินกันต่อเวลาประมาณเที่ยงคืนครูดวงแก้วก็รู้สึกว่า เสียงของเพื่อนทั้งสองนั้นเงียบไปคิดว่าคงขึ้นบ้านนอนกันแล้วส่วนครูดวงแก้วหลังจากอาบน้ำเสร็จก็เข้านอนแต่คืนนี้เป็นอย่างไรไม่รู้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายจนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งก็ได้ยินเสียงมาวัดหอนรับกันเป็นทอด ครูดวงแก้วจึงลุกขึ้นนั่งและมองลอดหน้าต่างมายังบ้านพักของครูมานพและครูนิดทันใดนั้นเองก็ต้องตกใจไม่เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนุ่งห่มชุดขาวแบบชาวบ้านที่ไปทำบุญที่วัดเธอกำลังเดินวนรอบบ้านพักครูของครูมานพและครูนิดแล้วก็มาหยุดลงตรงหน้าต่างที่ครูดวงแก้วจ้องมองอยู่ด้วยใบหน้าบูรบึง้ง ครูดวงแก้วจ้องด้วยความตกใจแบบตาไม่กระพริบทั้งทั้งที่ปากของหญิงสาวไม่ได้ขยับแต่ครูดวงแก้วกลับได้ยินสิ่งที่เธอพูดชัดเจนเลยว่าฮุกเองลบลูกกูกูจะตามมาเอาวิญ ญ, ญาณพวกมึงถ้าหาว่าพวกมึงไม่ไปขอขมากูพรุ่งนี้ให้เอาเท่าฐานที่ยอามาพร้อมทั้งทูปเทียนไปขอขมากูที่เมนไม่อย่างนั้น ดีแน่พอสิ้นเสียงนั้นภาพของหญิงสาวก็ค่อยๆเลือนหายไปรุ่งเชา้าครูดวงแก้วรีบนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนครูทั้งสองฟังครูมานพและครูนิดบอกว่าเมื่อคืนไม่เห็นมีอะไรนอนหลับสบายดีหมาหอนก็ไม่ได้ยินแล้วทั้งสองก็หัวเราะบอกว่าไม่เชื่อ ครูดวงแก้วก็เลยกลับมาเอาเท้า่านจากเตาเผาเมื่อคืนพร้อมทั้งทูบเทียนไปขอขมาเพียงคนเดียวหลังจากนั้นอีกสามเดือนครูดวงแก้วก็ขอย้ายกลับไปสอนที่บ้านของตนตามเจตนารมณ์ที่เคยตั้งใจไว้จึงขาดการติดต่อกับครูทั้งสองคนไม่รู้ว่าป่านนี้ทั้งสองคนนั้นจะเจอดีอะไรบ้าง มัดสยอง